เบอร์แปสิบเจ็ดเป็นไงบ้างก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็สังเกตเห็นอย่างช่วงสวดมนต์เนี่ยครับรู้สึกอย่างสองสมวันที่ผ่านมานี่คือใจมันไหลบ่อยคือขณะที่เราตาเรามองบทสวดปากเราก็ท่องสวดบทสวดอยู่แต่สักแป๊มันก็แวบไปทสิแล้วเราก็กลับมาแล้วก็เออรู้ทันขึ้นมาอย่าดึงนะอย่าดึงครับเราสวดมนต์แล้วใจเราไหลไปแล้วก็รู้ไป คือเมื่อก่อนไม่ค่อยสังเกตเห็นตอนสวดแล้วก็อย่างช่วงที่การดูระหว่างวันเนี่ยครับช่วงทำงานอย่างเราเดินไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยครับก็จะคอยรูรู้ตัวทีนี้มันเสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยพอเรารู้ว่ามันเผลอไปแว็บเนี่ยพอกลับมาปั๊บเนี่ยพอมันรู้ปุ๊บมันจะไปดูไปรู้ที่กายต่อเหมือนว่าเเราเดินท่านี้เราทำกิริยาอย่างนี้อยู่ตรงที่ถูกต้องอ่ะก็คือตรงที่รู้ว่าเผลอไป เพราะนั้น ร, ร, รู้ตัวเรียบร้อยแล้วะถัดจากนั้นมันเป็นจิตอีกกันหนึ่งละที่จะไปดูจงใจไปดูกายไหมจงใจป่ะบางครั้งก็ไม่ได้จงใจครับแต่บางครั้งก็เหมือนจงใจแเรวก็มีสติตามรู้ต่อไปครับว่าจิตไปดูกายอะไรเงี้ยหรือจิตไปจงใจดูกายดีแล้วตามรู้อย่างนั้นแหละเราสวดมนต์แล้วเราก็เห็นจิตไหลแวบแวบแวบดีครับดี ถ้องพุทโธแล้วจิตไหลแวบๆก็ดีนะหายใจแล้วจิตไหลไปเราไปรู้บางครั้งนั่งพุทโธแล้วพอจิตไหลพอสักพักหนึ่งพอรู้บางครั้งมันก็จะไปดูเหมือนดูท้องเหมือนกันถอยไปท้องเราก็รู้ทันว่าจิตมันไปดูท้องรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตมันทํางานทั้งวันทั้งคืนถึงจุดหนึ่งนะจิตจะตื่นเลยภาวนาได้ดีนะเดี๋ยวนี้เด็กๆภาวนาเก่งเยอะเลย หลวงพ่อเรียกเด็กๆนะอายุปาเข้าไปสามสิบแล้วบางคนน้าหมอตีหมอตีเนี่ยอายุเท่าไรละล้วผู้หญิงก็ห้ามถามนะสามสิบสองครับเหรอสามสิบสองหลวงพ่อเอาตัวรอดไปหลายรอบแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ภาวนาแล้วก็ พอนาก็มีความสุขอบอกแล้วทำเป็นแล้วมีความสุขถ้าทุกข์นะทำไม่เป็นนะถึงจะทุกข์แล้วไงจิตใจสงบมากขึ้นไหมก็มันดิ้นรนหรือมันไปหาเรื่องมาใส่ตัวเองน้อยลงเยอ ะ, อะดีเริ่มสงบสบายดีแล้วส่งต่อไปเบอร์เจ็ดสิบแปดส่งไมโครโฟนไปใจลอยไปแล้วอยากมามอขอมั่วหัวใจไปให้เขาด้วย อยากมาข อ, อกันบ้านหลวงพ่อครับเหรอเคยเรียนอะไรมาหรือเคยฝึกดูเวทนาแล้วก็ฟังจากหลวงพ่ อ, อจากซ d ดีอ่านจากเว็บฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองใจเราไหลแวบก็จะรู้สึกขึ้นมาเมื่ใจเราไหลเราก็รู้สึกไหลแล้วไปเราก็รู้สึกนะแต่ก็ภาวนาได้ทั้งวันนะเมว่าใจเราไหลทั้งวันนะใจเราไม่เคยอยู่นิ่ง จึงไม่ได้ยากนะง่ายนี้เราไม่สามารถเห็นสภาวะได้เราก็ชอบไปคิดว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เข้าใจผิดคิดว่าต้องเดินท่านั้นต้องนั่งท่านี้ต้องหายใจอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนแค่ว่านั่งอยู่ก็รู้ชัดยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดคําว่ารู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัด รู้ชัดหมายถึงสองอย่างอันแรกเลยรู้ว่ารูปนี้เคลื่อนไหวอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่อันที่สองรู้ชัดถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนั้นรู้ว่าไอตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกวัตถุมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่เดินหายใจเข้าหายใจออกก็คอยรู้รู้ก็อันแรกก็รู้ว่าตอนนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีการหายใจเข้า <c oughs> หายใจออกนี่มีสติรู้มีปัญญาเข้าใจ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 เช่นเราจะเข้าใจอย่างเราขยับเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรารู้สึกถูกต้องนะใจจะโปร่งโปรงไม่มีน้ำหนักนะถ้าใจเกิดมีน้ำหนักขึ้นมานี่ของปลอมนะรูปลอมถ้ารู้ถูกต้องใจจะไม่มีน้ำหนักจะรู้สึกถึงความไหวอยู่นะแล้วก็มีปัญญารู้ด้วยนี่แค่รูปเท่านั้นเองรูปมันเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่คิดเอานะเป็นความรู้สึกมีปัชนารู้สึกเอาไม่ได้คิดเอา ตอนหลวงพ่อไปสอนซาลาลุงชินครั้งที่สองนี่นมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะลุกขึ้นคัดขานบอกวิทยาศาสตร์สอนว่าอย่าเชื่อความรู้สึกไ <c oughs> อ้นั่นมันวิทยาศาสตร์นะไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์มันจะเอาตัวรอดเลยเป็นคนลศาสตร์กันนี่ใช่ไหมนี่เราหลายคนชอบพยายามลากเอาศาสนาพุทธไปเป็นวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าศาสนาพุทธจะแพ้แล้ววิทยาศาสตร์จะชนะแล้ว เกิดมาก่อนรู้สึกอย่างนี้โทษเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันต้องสยบกับาศาสนาพุทธนะเพราะมันมีวิทยาศาสตร์ ม, มันหาความสุขไม่ได้งั้นาศาสนาพุทธแทๆ้ๆถ้าเราเข้าใจเราก็ไม่ต้องไปซุกอยู่ใต้ปีกใครเลยพุทธก็คือพุทธแหละนะไม่ต้องมาถามเลยาศาสนาพุทธเป็นปรัชญาไหมรู้สิเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้พยายามซุกเข้าปีกปรัชญาอีกแล้วนะไม่จําเป็นท่านอาจารย์ประยุทธ์นะถ้าคุณประยุทธ์ พูดดีนะบอกว่าท่านไม่จําเป็นต้องมาพิสูจน์ว่าศาสน า, าพูดเป็นปรัชญาไหมพุทธก็คือพุทธแหละเราก็ตอบปัญหาของเราได้เราแก้ปัญหาของเราได้ส่วนว่าพุทธจะเป็นปรัชญาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของนักปรัชญาจะต้องไปพูดกันเองนี่ชาวพูดไม่ไปเถียงด้วยนะเหมือนกันนะพุทธจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่มันก็เรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะเราไม่เห็นจะต้องไปซุก ป, ปีกใคร หรืทุกวันนี้พอศาสนาเราเราไม่ได้ศึกษาให้ดีนะเรารู้สึกศาสนาเราง่อนเง่นนะศา ส, สนาห่างไกลจากผู้คนแนะคนทิ้งศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าต้องไปทํางานสังคมสงเคราะห์เยอะแยะเลยเพื่ออะไรเพื่อจะขอพื้นที่เล็กๆขอชั้นยืนอยู่ด้วยคนในสังคมนี้จริงๆถ้าเข้าใจศาสนาพุทธไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนั้นเลยเพราะศาสนาพุทธนั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแล้ว คนที่ศึกษาเข้าใจก็มะมีความสุขมีความสงบในจิตใจสามารถใช้ชีวิตยอยู่กับโลกนะได้อย่างรู้ทันโลกมีความสุขนะไม่ใช่ภาวานาแล้วก็ต้องหนีโลกนะอยู่กับใครเขาไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่ใช่นั่นมันลือศีศานะ ส, สนา พ, พุทธภาวานาไปศีอยู่ตรงไหนก็ได้ชั้นอยู่ตรงไหนก็ภาวานาได้ขอให้มีสติไปเถอะ อยู่ตรงไหนความทุกข์ก็เข้ามาสู่ใจของเราไม่ได้เราเรียนจนเราค้นพบตัวเองนะพวกนักปรัชญานักจิตวิทยาอะไรก็พูดนะเรื่องการค้นพบตัวเองแมถ้าค้นพบตัวเองได้แล้วก็วิเศษที่สุดละดีที่สุดละแต่ของฝรั่งมันค้นพบตัวเองคือมันพบตัวเองจริงๆนะของศาสนาพุทธสอนจนเราพบตัวเองว่าไม่มีตัวเองนะมันไปอีกชั้นหนึ่งนะ <S <S ไปอีกชั้นหนึ่ง ตราบใดยังมีตัวเองอยู่นะก็ยังทุกข์บ้างสุขบ้างไปเรื่อยๆถ้าใจมันแจ้งใจมันเข้าใจความจริงนะใจวางไม่ทุกข์แล้วนะถ้าเรายังมีตัวเราอยู่ตัวเราดีเราก็มีความสุขตัวเราไม่ดีก็มีความทุกข์นั้นศาสนาพุทธนะถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ง้อใครนะศา ส, สนาพุทธจะบอกว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ใช่บอกได้โปรดเธอนะได้โปรดเชื่อเธอไม่มีนะ ไม่เชื่อศาสนาที่กล้าท้าให้พิสูจน์ดูแต่ว่าคนที่จะรับคำท้ามีไม่มากมีไม่มากก็ไม่เป็นไรศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่ครั้งพุทธกาลศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนส่วนน้อยแต่เราไปแต่งคำภีกันทีหลังนะว่าพระพุทธเจ้าเดินไปเมืองโน้นเมืองนี้แวดล้อมด้วยภิกษุแสนรูป ทั้งเมืองคนเป็นยังไม่ถึงแสนเลยนะ <c oughs> มันจะเอาอะไรไปให้พระฉันเ <c oughs> นี่ยเขียนให้ดูภูมิฐานหน่อยบางครั้งพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนหาพระตามสักรูปยังไม่มีเลยเดี๋ยวว่าแต่ภิกษุล้อมแสนรูปเลยมีบางครั้งนะท่านไปกับพระอีกองค์หลวงพอหลืบชื่อไปแล้วท่านนั้นเป็นอุปัฏากท่านเดินเดินไปด้วยกันอะ ท, ท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านจะไปข้างขวาพราะนั้นบอกผมอยากไปข้างซ้ายพรนะบอกพระพุทธเจ้าบอ ก, บอกไปเถอะไปด้วยกันแม่เอาผมจะไปภาวนาที่นี่ผมอยากภาวนาแล้วไม่อยากตามท่านไปนะนี่พอพระพุทธเจ้าชวนครั้งที่สามนะพระนั้นเอาบาดเอาจีวรของพระพุทธเจ้าเนะี่ยวางลงบนพื้นเลยผมปบายบายแล้วไปก่อนจะรีบไปภาวนา <laughs> พระเจ้าก็แบกบาดแบกจีวรไปเองนะ เองนั้นแไปภาวนาอยากภาวนานั่นแหละไม่ใช่ว่าชั่วร้ายอะไรนะทิงพระพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าก็ห้ามแล้วห้ามอีกไม่เชื่อไปภาวนาไม่สําเร็จหรอกจิตใจฟุ้งซ่านตลอดเลยเพราะตรงนั้นไม่ได้หมอกับท่านถ้าหมอไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่กล้าไปคนเดียวนะถ้าลูกศิษย์หมอจะไปตรงนี้ท่านไล่ไปท่านไปคนเดียวก็ได้ท่านอยู่ป่าคนเดียวมาตั้งนานแล้วทำไมท่านจะอยู่ไม่ได้จะอยู่กับลิงอยู่กับช้างก็อยู่ได้เนี่ยเสร็จแล้วท่านเอาเรื่องนี้มาเล่า ให้พระฟังพวก็พระก็สลดใจเว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครตามเลยสักคนไม่มีใครช่วยเหลือเลยเป็นอะไรก็ไม่มีใครดูแลพระสารีบุตรบอกว่าผมขออาสาสมัครนะจะตามเป็นคนดูแลเป็นอุปถัมภ์นี่พระสารีบุตรพระเจ้าบอกไม่เอาสารีบุตรทํางานอื่นได้เยอะกว่านี้พระโมกขลากนะ็อาสานะองค์โน้อนอาสาองค์นี้อาส า, า, าไม่อาสาเฉพาะพระนนท์นี่ย พนนท่านไม่อาสาพระก็ถามทาไมไม่อาสาท่านบอกถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านเหมาะสมก็ใช้สิท่านก็เต็มใจอยู่แล้วเยไปอีกแบบ <c oughs> นีก่อนจะรับเป็นอุปถาคนะต้องตั้งเงื่อนไขหลายข้อ <c oughs> เงื่อนไขดีๆทั้งนั้นนะคนไหนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องไปศึกษาพระนนท์สารพระนนไม่ไปไหนด้วยนะ ท่านผู้เจ้าได้อาหารดีๆมาผมไม่ฉันต่อนะอะไรเงี้ยได้ผ้าจีวรดีๆมาผมไม่เอานะ อ, อะไรเรื่องหรือถ้าไปเทศอะไรมามาบอกผมด้วยนะให้ผมเป็นคนจัดคิวนะใครจะพบได้ไม่ได้ท่านขอเพราะนั้นจริงๆแล้วาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของคนส่วนน้อยไม่ใช่ว่าคนเยอะแยะอะไรหรอกนะเพราะอะไรเพราะาศาสนาพุทธเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆ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 เดี๋ไม่ใช่มานั่งเกาะครูบาอาจารย์ทั้งวัดหลวงพ่อไม่ยอมรู้สึกไหม <S <S ถึงเวลาแล้วประโยคเด็ดคือไปกับบ้านไปเอ้าเชิญโยมกลับบ้านอ้าเชิญครั้งที่หนึ่งยังไม่ไปก็ครั้งที่สองครั้งที่สามสามครั้งไม่ไปหลวงพ่อไปเองนะไม่ให้มานั่งแช่ะนะเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะเป็นศาสนาที่ต้องช่วยตัวเองตลอดเวลาเวลานี้มีค่าที่สุดอย่าให้หายไปนะหลวงพ่อนะตั้งแต่เจ็ดขวบชอบภาวนา เรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศก aram าา ม, มหัสทำสมถะทำทุกวันนะไม่เลิกเลยทำทุกวั น, นเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนหายใจขแมวขแมวไนะทำไมหายใจขแมวบางทีหายใจไม่ค่อยจะออก <laughs> เป็นวัดทำทุกวั น, นไม่เลิกมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตอายุย9แล้วถึงเจอหลวงปู่ดูลทําสมถะย2ปีขึ้นมีปัจนาไม่เป็น เจอหลวงปู่ดูนท่านบอกให้ดูจิตตัวเองโอ้ชอบอย่างเลยสนุกดูลักสนุกนะดูทุกวันไม่เลิกไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งวนะ่าหน้าได้โปรดดูเหรอะนะไม่มีนะหลวงปู่ดูลั่นตอนหลวงพ่อไปเรียนด้วยก็คล้ายๆกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อเออย่างท่านนีสัยเหมือนกันน่ะถึงเป็นอาจารย์กันท่านสอนสอนพอเราเข้าใจท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับหรือว่ายังไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้แล้วไปลองดูอย่างนี้ท่านไล่เลย ไปไปทำเอาไปเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะจะใช้เวลานิดเดียวไม่เกินชั่วโมงอะ่ะสิบนาทียี่สิบนาทีก็มีนะบงทีจนติดเป็นนิสัยไปไหนแล้วไปแป๊บเดียวกลับละไปเยี่ยมท่านจันทน์ตอนนั้นอายังไม่ได้บวชอาก็ขนของที่จะไปถวายลงจากรถเอาไปให้ท่านขนของยังไม่เสร็จเลยหันมาเสร็จยังไปยัง อะไรเสียเวลาไม่ได้เวลานี้เสียแล้วเสียเลยนะเงินเสียไปแล้วยังหาอีกได้นะตายแล้วตายเลยนะอย่าประมาทนะว่ายังเด็กไม่ตายนี่เพิ่งมาเล่าแป๊บมาเล่าเห็นไหมดาราคงไม่แก่เท่าไหร่นะคงไม่แค่อายุไม่มากก็ตายได้งั้นเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เราต้องซ้อมไมาให้ดีฝึกซ้อมดูจิตดูใจไว้ให้ชํานาญเลย เวลาจะตายนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บสติรู้ทันเลยเอาตัวรอดละฝึกไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่แค่ฝึกเพื่อจะเตรียมตายอย่างเดียวฝึกเพื่อจะอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยบางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนบอกว่าฝึกไว้นาไว้ใช้ประโยชน์นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยจริงก็ท่านก็พูดถูกแต่าศาสนาพุทธตัวจริงแล้วมีประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ต้องรอให้ตายก่อน มีสติในปัจจุบันความทุกข์กระเด็นหายไปในปัจจุบันทำไมมันจะไม่ดีล่ะงนั้นคนที่มาฝึกกับหลวงพ่อนะพวกที่มาใหม่ๆอดทนนะฟังไปเรื่อยๆต่อไปจะรู้สึกว่าหน้าตาเรานี้ผ่องใสจังเลยอ่อนกว่าวัยนี่อ่อนกว่าวัยตีนกาขึ้นน้อยลงขึ้นช้าลงหน้าตาสดใสไปที่ไหนนะมีแต่คนรักนะเพราะอะไรจิตใจเราอ่อนโยนจิตใจของเรานุ่มนวล จิตใจเรามีความสุขคนที่จะแผ่เมตตาแผ่ความสุขให้คนอื่นได้ตัวเองต้องมีก่อนถ้าตัวเองไม่มีความสุขมันจะไปส่งความสุขให้ใครนะได้แต่หลอกๆนะสอขสโง่ๆน้ํานะส่งไม่ได้หรอกความสุขอะ <het DP> ตัวเองต้องมีความสุขก่อนคนใกล้ๆตัวเราถึงจะมีความสุขงั้นเราต้องฝึกนะฝึกตัวเราฝึกใจมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปแล้วจะมีความสุข เมื่อวานก็มีพระจีนมาพระจีนที่วัดหลวงพ่อนี่ทุกสำนักเลยนะมาแปลกๆยกเว้นสำนักเข้าทรงนะยังไม่เคยเห็นนอกนั้นมาทุกสำนักมาแปลกๆมาพระจีนตรงนี้ท่านมาหลายทีแล้วมาคราวนี้นะ่ยิ้มหวานมาเลยผมเข้าใจแล้วมันมีความสุขอยู่ทั้งวันเลยสติมันเกิดเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดเห็นท่านใช่ไหมเมื่อวานหรือวันเสกร์ อีกองหนึ่งเพิ่งมาครั้งแรกมานั่งฟังนั่งฟังก็ตื่นขึ้นมาแนละ้เวลาหลวงพ่อสอนพระจีนหลวงพ่อก็สอนเรื่องพุทธเกษตรไม่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานนะพุทธเกษตรเนี่ยเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาพุทธเกษตรไม่เคยพล่องมีแต่ใจของเรารุงแต่งเราเลยไม่เห็นพุทธเกษตรที่บริบูรณ์ต่อหน้าต่อตามีการอ้างพระสูตรด้วยนะผลวงพ่อ ไม่อ้างพระสูตรเถรวาทหรอกอ้างวิมลเกียรตินิเทศสูตรอ้างปรัชญาปารามิตาสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะบอกพระสารีบุตรนี่อันนี้เป็นสูตรของมหายานนะเขาจะบัฟพระสารีบุตรเขาจะไม่ชอบพระสารีบุตรบอกพระสารีบุตรเนี่ยไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเกษตรของพระองค์คือที่อยู่ที่อาศัยของพระองค์เนี่ยลุ่มๆดอนๆ น, นะสูงๆต่ําๆไม่ราบเรียบไม่เสมอกัน ทำไมพวกพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าคุยกันบอกพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าองค์โน้นดีสวยงามองค์นี้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมพุทธเกษตรของพระองค์ดูกระพร่องกระแพร่งเป็นผุเป็นเหวดูไม่สวยไม่งามเลยพระเจ้าบอกว่าที่ตามองเห็นนี้ไม่ใช่พุทธเกษตรหรอกจริงๆก็คือนิพพานนั่นเองนะนิพพานาเราเข้าใจนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาน โลกนี้ทั้งโลกนะราบเรียบเสมอกันหมดเลยราบเรียบในความรู้สึกนะนความรู้สึกโลกมันก็ต่ปุ่มแต่ป่ําของมันไปอย่างนี้แหละแต่ว่ามันราบเรียบในความรู้สึกมีแต่ความสุขล้วนๆสว่างสวายรุ่งเรืองนะเบิกบานใจนี่คุยกับท่านอย่างนี้นะท่านก็เลยขยันไปดูเพราะท่านอยากเห็นพุทธเกษตร <c oughs> เสร็จแล้วพอดูพอเกิดสติเกิดปัญญาคราวนี้พูดภาษาเดียวกันละ เรใช้สับเถรวาสท่าก็ฟังรู้เรื่องแนละ้วอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะเด็กไม่เรียนหนังสือเลยนะอย่างเด็กคนงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะจิตมีโมหะครับอะไรเงี้ยมันรู้จักแนละ้วโมหะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> หลวงพ่อสอนไม่ได้ก็เฉพาะไอ้เหลืองเนะี่นอกจกนั้นอยู่ในวัดนะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ดูมันได้นะฟังไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าต้องทําอะไร อาโอเป็นไงวันนี้ส่งมานี่หน่อยช่วงนี้จะเริ่มทำสติในออฟฟิศได้ค่ะใช้วิธีว่าหลวงพ่อบอกว่า<ม>เวลาคิดเป็นงานคิดงานก็เป็นงาน<ม>แต่เวลาอื่นที่เรารู้สึกกระทบกับผู้คนจะไม่ใช่งาน<ม>ก็ลองทำก็คือว่าพอเมื่อไหร่ที่คิดเรื่องที่ไม่ใช่งานก็ดูพอตอนไหนคิดเรื่องงานก็คิด ทำไปนานๆเข้าพอก็จะมีว่ามีโดนคนนั้นคนนี้กระทบกระทั่งกันตามปกติของงานใช่ไหมคะแต่พอตอนเมื่อวานเซอนเนี่ยมันก็เกิดอาการใหม่ก็คือว่านายเขาตั้งท่าจะมาด่าแล้วล่ะรู้แล้วว่าเขาเขียนอีเมลมาก่อนแล้วต้องมาด่าแน่นอนเรื่องนี้เราก็พอเสร็จมันก็เห็นว่าไอ้ตัวรู้พอหาอ่านอีเมลปับ๊บตัวจิตที่เคยรู้สึกเสียใจเวลาโดนดา่าแล้วเรามองไว้ อารมณ์ที่เราจําไว้คราวก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นพอขึ้นจังหวะแรกปั๊บตัวผู้ดูถอยถอยดูรอเลยแล้วพอเขามาด่าก็นิ่งเลยเฉยมากก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่านี่คือเราเสร็จแล้วเราก็แต่จะความรู้สึกมันยังไหวแต่จะไม่ไม่เหมือนครั้งแรกๆที่สมัยโดนดา่าใหม่ๆเราจะแบบอย่างนี้ mm. พราะตอนนี้เราอย่างนี้เฉยๆ mm. แล้วมันก็ค่อยๆเบาเพราะเขาหยุดพูดเราก็หายเลยอืแล้วก็ไม่เก็บมาคิด mm. ทํางานต่อ แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยเอ๊ะจริงๆทําทำที่ออฟฟิศก็ทำได้พงแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ชีวิตมันแบ่งเป็นส่วนๆไปหมดแยกกันหมดเลยเราซอยชีวิตของเราเป็นช่วงสั้นๆค่ะมันเหลือเป็นช่องๆช่อๆนะที่องช่องๆเก็บทีละช่องแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ำเรียนแบบหลวงพ่อค่ะยืนฉี่หรือเรียนแบบหลวงพ่อเรียนแบบหลวงพ่อคือตอนนี้ยกแขนแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยทาสติ โอ้เ๋ยวจะลองยืนฉี่ดูไม่แล้วนี่เคยเล่าสมัยหลวงพ่อทํางานเป็นคาราวาสกราทางานหัวหมุนติ้วๆดูอะไรไม่ออกแล้วนะเบรกตัวเองด้วยการเดินไปห้องน้ําร่างกายขยับจะเห็นเลยมือขยับก่อนดูออกไหมมือขยับก่อนนะแล้วตัวค่อยขยับแล้วเท้าค่อยขยับเดินไปห้องน้ําเนี่ยดูกายเดินไปถ้าดูจิตไม่ไหวมั่วซั่วไปผู้ชายไปยืนฉี่เลย พาฉีไปเสร็จแล้วแม้มีความสุขเพราะมันชื่อห้องสุขาเข้าไปแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราก็รู้ว่ามีความสุขกลับมาดูจิตได้แล้วตอนเดินกลับมานี่นะรู้ตัวมาแล้วนี่เราแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆใครรู้สึกว่าชีวิตนี้เรายแย่แล้วชีวิตนี้ยแย่แล้วมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาถ้ารู้จักแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆจะพบว่ามีความสุขแทรกอยู่เยอะเลย แค่มีสติขึ้นมานะมีความสุขข้ามาขั้นแวบหนึ่งเดี๋ยวเผลอไปก็ทุกข์อีกมีความสุขมาขั้นอีกแว็บหนึ่งรู้สึกไปง่ายว่าไงเอาไปไหนละเขาไปถึงโน้นแล้วไม่ใช่ไปทำไมไปโน้นคำถามนิดนึงค่ะก็คือว่าองค์มีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่ า, าคือว่าเวลาที่เราโดนคนอื่นว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เขา แต่เป็นเราเหมือนกับมันเป็นกรรมซัมติงขึ้นมารับใช่แล้วพอมันเป็นตัวนั้นปับ๊บพอเราแก้ตัวนั้นปับ๊บทางนู้นเขาก็จะไม่ได้เองก็เลยองค์เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเวลาเราใครไม่เข้าใจเราเราไม่ต้องไปทําความเข้าใจกับเขาเราทําตัวเราเขาก็เข้าใจเองไม่รู้คิดถูกหรือเปล่าแต่นะมีความรู้สึกว่าพอทําพอเหมือนกับตอนที่เราดูพอสติเราเกิดสติเราเกิดปั๊บเนี่ยเหมือนนายเขาก็เข้าใจเราไปเองคือพอจิตใจเราร่มเย็นอะไรเนี้ย เขาก็แอบสอบตัวนี้หายร้อนไปแต่ไม่ใช่ว่าเรามีสติแล้วคนจะไม่มาด่าเรานะเราพุทธเจ้ามีสตินะคนก็ดา่าคนละอันเพียงแต่ว่าเจ้านายเนี่ยยังไม่ไ ม, ไ, มไม่ดือ้อจนถึงขนาดอบรมสั่งสอนไม่ได้จิตใจเข้ามาสัมผัสเรามีความสงบมีความร่มเย็นเขาก็ตั้งหลักขึ้นมาได้ด่าน้อยลงส่วนหนึ่งที่ด่าน้อยลงเพราะเราไม่เถียง มันจะบ้าพูดอยู่คนเดียวได้ไงไหม <c oughs> ถ้าเราเถียงสิเถียงงันก็ไปเรื่อยๆอ้าวไปไหนละถึงไหนละเอ้าวคุณวิยาดา <c oughs> อย่าให้ใจท้อแท้ป้อแป้นะฮะ <c oughs> เราอย่าไปเอาจิตคนอื่นเข้ามาให้เรารู้ที่ใจเรามันเวียนหัวละมันเมาคลื่นก็รู้ไป องค์ไปเมามาจากที่อื่นอ่ะที่นี่ไม่เห็นมีขี้เมาเลย <c oughs> <c oughs> เออนะองค์ภาวนาดีละดูไปได้เนี่ยคนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าที่ว่านอนหลับก็รู้สึกพลิก้ายพลิกขวาก็รู้สึกนะจิตมันคิดจิตมันฝันก็รู้สึกรู้สึกเรื่อ ย, อยดีแล้วโงคอ่ะต่อไปอุทัยครับหลวงพ่อช่วงนี้ก็หลงหล ง, หลงอยาก อยากรู้ตัวทุกวินาทีคะ ล, ลงไปแต่มันก็คือเพ่งพอปวดหัวก็รู้แล้วว่าผิดถ้าใจเราเครียดเครีย ด, ยดแข็งแขงทำผิดนะถ้าใจโปร่งร่วงเบาสบายคล่องแคล่วว่องไวนี่จะถูกเราทุกวันนี้ก็พยายามทำในรูปแบบก่อนนอนประมาณ5้านาทีหรือสิบนาทดีดีละดีละ ก, ก็ดีขึ้นเยอะอในใจ<ง>มันจะมีแร ง, แรงตั้งมัน่นเราทิ้งรูปแบบไปเลยไม่ไหว ครับแล้วที่ทำอยู่ถูกหรือยังครับถูกแล้ดีละครับเมอร์แปดสิบหกเบอร์แปดสิบหกทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเออเผลออ่ะเบอร์ยี่สิบหกส่งกันบ้านเคยมาไหมเพิ่งเคยมาคุยกับหลวงพ่อครั้งแรกมีอะไรคุยไหมถ้าไม่มีก็ส่งต่อเออหลวงพ่อชอบมากเลยส่งอย่างเนี้ย คิดว่ารู้สึกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกตัวได้ดีเวลาเดินทรงกลมกับวิ่งก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเวลารู้สึกตัวก็คือจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ความทุกข์มันก็จะเข้ามาแล้วพอรู้สึกว่ารู้สึกว่าโอถ้าเกิดรู้สึกตัวได้ตลอดก็คงดีเอย่าโลภนะเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวก็เป็นอนัตตาความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาบังคับให้เกิดไม่ได้ แต่ถ้าจิตเราจําสภาวะได้แม่นเช่นเราจําได้ว่าเผลอไปคิดเป็นไงนนพอใจไหลไปคิดแปบบ๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาเองงั้นฝึกดูไปเรื่อยๆเป็นจิตจําสภาวะได้มากจําสภาวะได้แม่นสติเกิดได้เยอะเลยมีความสุขเยอะอันนี้มีความสุขเพราะมีสติยังมีอีกนะความสุขเพราะมีสมาธิใจที่ตั้งมัน่นใจที่สงบอ่อนโยนนุ่มนวลมีความสุขเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ like s. <S i, ้ามีสติไปเรื่อยใจก็มีสมาธิขึ้นมาความสุขเพราะมีปัญญาเพะมีอีกแบบหนึ่งเวลาที่จิตใจเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมานะจะมีความสุขสองวันสามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปไม่เจี่ยงเหมือนกันความสุขเพราะวิมุตต์ก็มีจิตใจมันหลุดออกมานะมีความสุขนี่ความสุขมีเยอะนะมีหลายแบบ ความสุขของนิพพานเยอะเต็มสิบปีที่แล้วทำกรรมฐานครั้งแรกสิบวันนะคะก็ห้าวันหลังเนี่ยจะรู้ตัวแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วพอทำอประมาณสองปีครั้งมันเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังมันไม่เคยทำได้เลยแต่มันคิดถึงตลอดเวลาว่าสภาวะันนั้นคืออะไรมันพอมาฟังหลวงพ่อก็เลย ยอมรับเรื่องใจรักได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้ยอมรับที่สุดอะค่ะอนนท์เพราะว่าไปกทำกรรมฐานครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งท่าทำทําแบบ Innocent มันก็เลยเป็นการตามรู้ตามดูมันก็เลยถูกขึ้นมานะพอเข้าคอร์สอะไครั้งก็เริ่มเป็นนักปฏิบัติที่ดีเดินสวยนะนั่งสวยนะแต่จิตก็หลงไปเลยเครียดเครียดเครียดเครียดแข็งแข็งงั้นพวกที่ไม่เคยเลยเนะี่ยทง่าย ก็ไม่เคยภาวนาหัดเจริญสติที่แรกนี่จะหันง่ายส่วนคนที่เคยหัดแล้วต้องมานั่งแก้ติดสมถะส่วนใหญ่เพราะที่ทําคือสมถะกําหนดกายกําหนดใจเพ่งกายเพ่งใจเบอร์สิบสามทำไมมันแข็งเกง่งเหมือนเดิมเออมันเก่งนะแล้วยังวันนี้หลังๆนี่รู้สึกว่าดูรู้สึกตัวมากขึ้นนะครับรู้สึกมันมีแรงดันที่หน้าอกมากขึ้ น, นเออเห็นอนะไรนี้กิเลสมันดันขึ้นมานะ กิเลสตันหามจะดันขึ้นกลางอกเนี่ยดันให้รู้อย่าไปเกลียดเขาอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องไม่เกิดอย่าไปคาดหวังว่าสติจะต้องเกิดทั้งวันเราไม่ได้ทําด้วยความอยากนะไม่ใด้อยากดีหรือเกลียดชั่วอยากให้ไม่มีความชั่วเราตามดูกายตามดูใจเพื่อให้เห็นความจริงเขาไม่ใช่เราเขาทํางานของเขาได้เองดีแล้วตื่นเต้นมากมากจ้ะโอ้ยมันยังตื่นเต้นอีกเนาะมาบ่อยๆ คือจะถามว่าคือตอนนี้ม anyway> ีความรู้สึกว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างมันอยู่รอบนอกหมดอย่างความเศร้ามันก็อยู่รอบนอกความสุขมันก็อยู่รอบนอกมันเหมือนว่าถ้าเราอยากสุขเราก็เอาจิตเราไปหยิบความสุขมาถ้าเราอยากทุกเราก็เอาจิตเราไปหยิบความทุกมาก็งั้นแหละที่หลวงพ่อบอกบ่อยๆนะคนเราหาความทุกมาใส่ตัวเองคนอื่นทาให้เราทุกไม่ได้ คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราหยิบความทุกข์เข้ามาเองค่อยดูไปนะต่อไปแล้วจิตมันใจค่อยฉลาดขึ้นตอนนี้มันเริ่มแยกสภาวะแล้วจะเห็นเลยความปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่เห็นนีกนี่ถ้าเสรอเมื่อไหล่หลงเมื่อไหร่ก็เข้าไปรวมเป็นเดียวถ้าพารู้สึกตัวก็แยกนี่มันเหมือนความรู้สึกมันมากอดกันเออมันเข้ามากาะมันเกาะก็ให้รู้นะไม่ให้เกลียดนะ<อ>ให้รู้มันแยกก็ให้รู้ไม่ต้องดีใจเดี๋ยวก็เกาะอีก ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันนะ่ะเออดีละดูไปต่อไปใจจะไม่เข้าไปเกาะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันแต่ตรงที่ใจตั้งมั่นเด่นดวงได้ทั้งวันนี้ต้องเป็นพระนาคามีก่อนตอนนี้เป็นคาราคาสังอนาคาราคาสังก็หลุดบ้างเกาะบ้างฝึกไปง่ายเละก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือว่าตอนนี้ช่วงกลางคืนรู้สึกว่า พลิกตัวก็รู้สึกขยับขาก็รู้สึกขยับแขนก็รู้สึกมันก็เลยเช้ามาก็เลยรู้สึกเพลียๆจังนั่นเป็นความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเพลียๆความจริงร่างกายมันนอนนะจิตมันตื่นอยู่แล้วจิตมันนอนน้อยนี่เราเคยชินที่ว่าต้องหลับแบบไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องถึงจะเรียกว่าหลับถ้าเรารู้สึกตัวขยับไปขยับมาทั้งคืนเรารู้สึกเราก็รู้สึกว่าไม่ได้นอนใช่แค่ะแค่รู้สึกเอา พอรู้สึกว่าไม่ได้นอนนะจิตใจมันท้อแท้ไปโัยแย่แล้ววันนี้คงจะ ง, ง่วงทั้งวันก็<ช>เลยสลมไปเลยสลบเพราะใจปรุงคือต้องรู้ให้เท่าทันตัวนี้ใช่ไหมคือร่างกายนอนเยอะจิตใจนอนน้อยอย่างร่างกายมันยังหลับมันยังไม่ตื่นนะจิตจะไปสั่งให้มันเคลื่อนไหว ม, มันไม่ฟังนะรู้สึกไหมสั่งให้กระดิกนิ้วยังไม่ได้เลยเวลาร่างกายมันหลับแต่ร่างกาย ต้องนอนไปงไี้แหละไปจิตตื่นอ้าส่งต่อไปจะถามอีกคำถามเลยอ้วอาวคือเดี๋ยวนี้เวลาที่คุยกับคนอื่นในเงี้ยค่ะมันจะแบบแต่ก่อนเราต้องอยู่คนเดียวเราถึงรู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เราคุยกับคนอื่นเงี้ยค่ะ ความรู้สึกตัวหรือความจำเก่าๆมันก็ยังอยากพูดมันก็กลับขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ตัวเพิ่มมากขึ้นใช่อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละต้องทำให้ได้ถ้าไม่สามารถจเจริญสติในชีวิตประจำวันได้นะยังห่างไกลต่อมากผลนิพพานมันรู้สึกแปลกๆอะค่ะอืมแล้วแปลกไงไไเอาไปลงหนังสือ มันไม่รู้อะค่ะอืถ้ารู้มันก็ไม่เรียกแปลกๆเห็นไหม <c oughs> ให้รู้ลงไปความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นก็ดูไปนะดูไปเห็นไหมความรู้สึกแปลกๆก็ไม่คงที่ดูออกไหมเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะจะแปลกหรือจะไม่แปลกก็เสมอภาคกันคือความรู้สึกทั้งหมดผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วดีแล้วมันแปลกๆเพราะอะไรรู้ไหมหลวงพ่อเฉลยให้ก็ได้ เพราะเมื่อก่อนตลอดชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกตัวตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วรู้สึกแปลกๆ แ, แต่พอต่อไปรู้สึกตัวชำน้ชำนาญตอนที่หลงไปนะจะรู้สึกแปลกๆ <c oughs> ดีที่ภาวนาอยู่ดูต่อไปนะอย่าขี้เกียจ น, นะดูไปเรื่อยๆใช้ได้ที่ฝึกอยู่ที่แปลกๆ ก, ก, ก็เพราะว่าจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จัก <c oughs> เอา กับท่านสกลหลวงพ่อครับคือในช่วงนี้มันมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนและเรื่องเพื่อนคือทําให้จิตเลยหดหูดจนไม่มีกําลังจะดูครับช่วงนี้พยายามผัดนึกพุทโธทีชิพประจำวันครับเพียงแต่มันจะชินกับการนึกพุทโธแบบทื่อๆแบบมไม่ได้มีสติครับ<ม>แล้วก็ลองหัดพิจารณากรรมฐาน5ตามที่หลวงปู่ท่อนแนะนาําแต่ก็ที่จะได้แค่แว บ, บสั้นๆแต่มันก็แล้วมันก็ออกมามันคือจิตมันไม่ชอบคิดนะครับ<ม>ช่วงนี้มันไม่มีความรู้สึกตัวดีดๆเหมือนอย่างที่เคยไปอยู่กับคุณแม่อมาลาเลยครับงั้ก็ไปอยู่่คุณแมอร ถ้าคุณแม่ให้อยู่นะที่จริงคุณอรมราเนะ่ยเคยบอกหลวงพ่อว่าไม่ได้อยากรับคนนะยังมาอยู่ด้วยทีละคนสองคนอะไรเนี่ยคุณอรมราไม่ชอบหรอกชอบแบบว่ามาเป็นคอร์สอะไรเงี้ยเยอะๆเคยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออย่าส่งใครไปเลยนะบอกหลวงพ่อไม่เคยส่งไปเลยนะมันอ้างเองว่าลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เคยส่งไปไหนหรอก ให้หัดอย่างนี้หัดพุดโทโธแต่อย่าเอาใจแนบไปที่พุโทโธพุโทโธเบาๆพุโทโธอยู่ห่างๆใจอยู่ต่าหากจากพุโทโธนะเราไม่ได้เอาพุโทโธมาเพื่อมัดใจไม่ให้เคลื่อนไหวที่ทําอะไรแล้วทื่อๆว่เาเอาพุโทโธมามัดใจไม่ให้เคลื่อนไหวลองเปลี่ยนใหม่พุโทโธเป็นแบ็กกราวจิตใจก็กระโดดโลดเต้นไปตามธรรมดาแต่มีพุโทโธเป็นแบ็กกราวไว้เท่านั้นเองลองปรับนะ แล้วมันจะกลับไปสู่ความรู้สึกตัวได้ครับเดี๋ยวขอเรียนถามเ่าหน่อยคือช่วงนี้หลวเพ่อว่าสภาวะจิตของผมเป็นยังไงบ้างครับมันเรีวร้ายมากหรือเปล่าครับหืมไม่เรีวร้ายนะ <c oughs> ถ้าพูดตรงไปตรงมาสภาวะตอนนี้ดีแต่ก่อนนี้อึดอัดรู้สึกไหมแน่นกว่านี้เยอะเลยนะแต่ก่อนเพ่งลูกเดียวแล้วมีทิฏฐิด้วยว่ามีทฤษฎียทิฏฐิคือทฤษฎดียนะว่าต้องเพ่ง เนี่ยเราคอรู้สึกเอารู้สึกเอาที่แรกหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวนะยังไม่มั่นใจต้องภาวนาต้องมีรูปแบบต้องเพ่งไว้กําหนดไว้แต่ตอนเนี้ใจมันเริ่มคลายออกมันเริ่มเป็นความรู้สึกตัวที่ภาวนาตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการนะแต่เวลาเราดูพัฒนาการทางจิตใจเนี่ยห้ามดูรายวันต้องดูรายไตรมาสดูแบบสภาวะนะยังอยู่ไหมสภาพพัะหรือเจ๊งไปแล้ว ยังอยู่เห็นพัฒนาไปหลายรอบจนล้มพังภาพหลายทีแล้วพุโทโธเบาๆวางวางอย่าส่งให้แม่ชีใช้วางพุโทโธไปเบาๆนะพุโทโธไม่เอาพุโทโธไปตรึงจิตพุตโทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพุโทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีแว่ไปรู้ทันอย่างนี้จะไม่แข็ง ถ้าพุโทโธแล้วห้ามใจหนีไปอย่างนี้จะแข็งนะปรับพุโทโธซะตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะกําหนดจิตได้ว่าเราดีใจเสียใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้มันใจมันมึนๆซึมๆไปตลอดแล้วก็วก็ให้รู้ว่าซึมไงนะซึมก็เหมือนดีใจเสียใจนั่นแหละก็เป็นอารมณ์หนึ่งซึมรู้ว่าซึมนะก็าามาค่ะลุงพ่อบอกว่า กายกายกับจิตไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเป็นของเราหรคะไม่มีเราอะนะแต่ต้องดูเราเองนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราไปก่อนไม่ต้องแกล้งรู้สึกว่าไม่ใช่เรานะก็รู้สึกว่าเรานี่แหละแต่คอยหัดสังเกตหัดรู้หัดดูเข้าไปเรื่อยๆอย่างจิตใจยมรู้สึกไหมจิตใจนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี้ยเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็คิดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกค่ะยมรู้สึกไหมตอนฟังหรือตอนคิดเนี่ยเราไม่ได้เลือกจิตมันทาเอง ค่ยเนี่ยมันนีไปคิดใช่ไหมเดี๋ยวมันฟังนิดนึงแล้วมันก็ไปคิดโยมดูออกไหมมันไปคิดของมันเองการที่เราเห็นว่ามันทำงานได้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทำงานได้เองไม่ไม่ต้องคิดเอาว่าไม่ใช่เรานะค่อยๆเห็นไปแล้วจะเข้าใจตอนตอนตอน้ตนคิดว่าเข้าเข้าใจว่า กายกายไม่ใช่เราแล้วเพราะมันแยกออกจากกาันได้ได้พอตอนหลังว่าจิตยังเป็นของเราอยู่แต่ว่าเอะเราบังคับมันไม่ได้ก็ไม่ใช่คือใจเราเนี่ยนะมันยึดมั่นว่าจิตเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นคมันรู้สึกมาตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นจิตเกิดดับแลนะร่างกายเราเห็นในหน้าของเราไม่เหมือนกันนะแต่ละปีแต่ละปีหน้าตาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเห็นง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราหรือเวลาเรามีสติกระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราเห็นเลย มันเป็นของถูกจิตรู้มันไม่ใช่ใช่ตัวเรานะร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จิตนี้ดูยากนะเพราะจิตเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนั้นเราต้องมาหัดดูจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันนะอย่างนั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมาแวบหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังฟังแล้วก็คิดตัวนี้โยมดูออกไหมฟังไปคิดไปนี่โยมดูตรงนี้เรื่อยๆอยู่กับที่บ้านทําอะไรก็คอยดูใจ จิตใจเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบ<ๆ>เดี๋ยวหนีไปคิดแวบ<ๆ>ดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าเขาทํางานได้เองเราบังคับเขาไม่ได้หรอกถึงวันหนึ่งเราจะลาะความเห็นผิดว่าเราบังคับเขาได้เ้าเป็นตัวเราคําว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหมายถึงว่าไม่อยู่ในอํานาจบังคับของเรานะไม่อยู่ในอานาจก็จิตมันไม่อยู่จริงๆนีคะหลวงพ่อใช่แต่ต้องดูให้พ อ, อยังดูไม่พอนะค่ะแดูเยอะๆเหมืนเรากินข้าวอ่ะกินไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มเอง นะตอนนี้ต้องกินไปเรื่อยๆก่อนดูบ่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเอง <c oughs> โอ้โยมทำไมเยอะหลวงพ่อนะท้อแท้ใจ <c oughs> ไม่มีทางสอนหมดเลยแต่ละวันหลวงพ่อช่วงนี้มันนิ่ ง, ง, งๆเฉยเฉยค่ะใจมันนิ่งเกินไป <c oughs> อย่าไปตรึงความรู้สึกไปนะหาอะไรมากระทบบ้างไม่เคยเห็นความรู้สึกตัวเองช่วงนี้ <c oughs> อะไรนะ เห็นแต่ฟุ้งๆหน่อยๆช่วงเช้าจะเป็นใจมันใจมันเนื่อยเหน่อยไปนะคะปลุกใจให้คึกคักไว้เจ้าคะเนี่ยให้มันคึกคักอย่างเนี้ยพอดีว่าเมื่อวานเอ้ยเมื่อวันก่อนนะคะรู้สึกว่าโมโหโมโหมันก็ปี้ดขึ้นมาก็รู้สึกว่าโมโหแล้วมันก็หายไปแล้วก็เริ่มคิดจะแก้ปัญหาละแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยมันก็หงุดหงิด หอองุดหงิดอะรู้พอรู้มันหงุดหงิดมันก็หายแล้วมันก็มีเรื่องให้มันหงุดหงิดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันนานจังอืมมไม่ชอบแนละ้ว <laughs> ไม่ชอบไม่เป็นกลางให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอย่าไปอยากหายนะไม่หายหรอกมันจะคอยมีเรื่องดูไปต้องสู้นะอย่าร้องไห้หล่ะ ดูไปดูไปอยากร้องไห้เลยสู้มไม่ไหวเหนื่อย <c oughs> ใจถึงถึงนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาของนักสู้ต้องสู้แล้ว เ, เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครมาสู้แทนเราเนี่ยนะต้องสู้เองวกไปข้างหลังนิดนึงก็ได้ไหนๆนก็ผ่านแล้วมีอะไรไหมดึกกางลาวนมัสการหลวงพ่อครับ ก็ดูไปดูมาบางทีสมัยก่อนก็เป็นก้อนๆแล้วพอดูไปมันก็โล่งออกไปบางทีมันก็ระเบิดที่ท้ายทอยออกไปทันทีบางทีมันก็พลิกออกมาเห็นแบบทุกอย่างในโลกเป็นทุกหมดเลยอมันเป็นทุกตั้งแต่หัวจนเท้าเลยแล้วออมันมีความขับแค้นใจความทุรนทุรายผมก็ดูเข้าไปอ้อนมีความไม่พอใจอยู่นี่เองมันก็บีบ้างเกิดบ้างทังนี้มันเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างที่ทุกโค้งมันเป็นสิ่งที่สมมุติกันทั้นั้นออผมก็ปฏิบัติ ต่อไปเรื่อยๆดีแล้วนะเข้าสู้ไปเห็นทุกอดีแล้วส่งมาคืนครับอาคุณที่ใส่แว่นตาครับหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้ส่วนที่จะดูได้ก็ตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงขับรถเป็นส่วนใหญ่เวลาทำงานก็จะมักจะหายไปเลยครับเวลาทํางานต้องหายนะครับไม่งั้นทำงานไม่ได้ครับต้องคิดเรื่องงานแล้วก็กลับมาตอนเย็นถึงจะได้ดูแตช่วงเแต่ว่าแบ่งชีวิตเราให้เป็นช่องเล็กกว่านั้น ไม่ใช่แบ่งชีวิตแค่เช้าสายบ่ายเย็นครับในเวลาทํางานก็มีเวลายกแก้วกาแฟขึ้นดื่มเวลาหันไปรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยซอยชีวิตให้เล็กๆตรงไหนมีสติได้ก็มีไปเลยครับไม่ต้องรอว่าทํางานเสร็จเดี๋ยวต้องพักสัหน่อยหนึ่งก่อนนะหลายคนชอบคิดอย่างนั้นว่าทํางานตอนนี้เพิ่งงานเสร็จเดี๋ยวขอนั่งเล่นสัพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วจะมาภาวนาโอ้เล่นเผลอไปห้าทุ่มแล้วนะ เหนื่อยไม่ได้ภาวนาเนี่ยซอยชีวิตให้เล็กๆเราใช้ชีวิตช่วงเล็กๆแต่แช่วงให้มีค่าอ่ส่งไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละเสื้อเขียวอะ่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็ยังไม่ยางที่ทำอยู่อ่ะดีแล้วดูไปเรื่อยๆดีแล้วอ่ะส่งต่อหลวงพ่อต้องเร็วนิดหนึ่งแล้วมีโมหะทราบไหมอุด๊ด มัวดูออกไหมไม่เห็นไม่เห็นอแล้วเป็นไงเห็นอะไรอู้ดเห็นอะไรอืมมันก็เห็นบ้างไม่เห็นมาตอนตอนตอนเมื่อเช้ายังดีกว่านี้เออเนี่ยตอนเนี้ยมันมีโมหะตอนนี้มันมองไม่เห็นมันซึมครับเโมหะนั่นเป็นกิเลสที่ทําให้เราไม่เห็นสภาวะครับเรเกิดโมหะก็ไม่สามารถเห็นสภาวะไมก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่เห็นครับเมื่อเช้ายังเห็นเกิดดับเกิดดับได้ตอนนี้ไม่ ตอนนีนอ้อาหารเป็นพิษ <laughs> ตอนนี้รู้สึกไหมสว่างกว่าเมื่อกี้นึกออกอยังค่อยตื่นขึ้นมาแล้วนะพอหลวงพ่อบอกสาเหตุของโรคก็ เ, คเลยหายเลยเอ้าวตื่นแล้วส่งต่อคือตอนนี้จิตเขาทำงานตามปกติเขาครับคือเผื่อตัวเขาาก็รู้ตัว เ, เองเออแต่มีอยู่อย่างครับหลวงพ่อ บางครั้งเนี่ยพอรู้พอจิตมันคิดมันมีโมหะบางอย่างเรารู้ทันแต่ช่วงที่จิตมันจะตัดมันมีกิเลสอีกตัวขึ้นมาบอกเดี๋ยวจะต้องมีความสุขจากการตัดตรงเนี้ยเจตีกตัวหนึ่งจะมาเห็นว่าว่ามันมีกิเลสอยากเกิดความสุขจากการหลักที่เราตามตามทันเนี่ยถึงจะมีความสุขจริงๆครับตรงนั้นเออดีสิต้องมีความสุขนะครับดีภาวนาดีละวใช้ได้อ่ะส่งต่อไปอ่ะดาว มีโมหะค่ะตับทุยีกเอาแค่นั้นเลยเหรอง่ายดีเนาะเวลามีโมหะก็ดูลงไปล่ะค่ะหลวงพ่ออแล้วมันจะเป็นกลางกับโมหะไหมไม่ค่ะให้รู้ทันถ้าใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันเวลาที่เราเห็นสภาวะอันใดหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความหมายอะไรก็รู้ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแต่เมื่อสภาวะเกิดขึ้นแล้วจิตของเราไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทัน รู้ทันใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางคราวนี้พอเรารู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนะสภาวะก็จะแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้ชัดเจนดงนั้นจิตที่เป็นกลางในการรู้อารมณ์นี่เป็นตัวสําคัญดังนันถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตเราไม่เป็นกลางไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิด้ น, นกายเป็นจ้องๆเมื่อไหร่มันจะไปสัทีค่ะน้คุณแต้มเมื่อไหร่จะมาอยู่วัด หายไปนานเลยเดือนหน้าค่ะดีแล้วคุณแตมดีแล้วช่วงนี้หัวข้่อคะสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดกับสมาธิช่วงสั้นๆที่เราคณิกะสมาธิก็ได้ใช่ใช่คณิกาสมาธิอะไรก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าอย่างอัปปนาลรวก็เป็นสัมมาสมาธิได้ในเวลาที่จิตรวมนะรู้เนื้อรู้ตัวนะรวมลงไปตัดการรับรู้ข้างนอก รวมลงไปเหลือข้างในอันเดียวสงบตั้งมั่นอยู่ไม่ลืมไม่หลงไม่เคลิม้มหลายคนชอบไปนั่งสมาธิแล้วเคลิมรูปไปแล้วบอกว่ามีสมาธิ น, นั้นไม่ใช่ไอ้ น, นั้นมันโมหะฉะนั้น ส, สมาธิก็มีตั้งแต่คณิกะอุปจาระปนาแต่ทั้งหมดประกอบด้วยสติเดี๋ยวนี้ิยมภาวนากันเก่งๆนะภาวนากันดีหลวงพ่อครับออตอนนี้มันรู้สึกว่า มีความความทุกข์มันจะเหมือนเหมือนห่างจากตัวเราไปมากๆครับจนอย่าไปผลักมันก็นแล้วกันครับนะก็พอเวลาเวลามันมีความกังวลมีความร้อนรนใจเกิดขึ้นมาเนี้ยมันจะรู้นิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันห่างออกไปเลยอะครับอืมเราก็ดูไปนะไม่มีอะไ ร, รที่เราบังคับได้ครับทุกอย่างผ่านมาผ่านไปดูแค่นั้นแหละมีแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับ ตัวผู้รู้เราก็ไม่ไปตั้งขึ้นมาเขาจะตั้งของเขาเองก็เรื่องของเขาอย่าจงใจตั้งถ้าจงใจตั้งใจจะแข็งทื่อๆนิดนึงอันนั้นผิดนะครับตอนนี้ใจมันตั้งเกินจริงนิดนึงดูออกไหมดูออกครับเออดีใช่ได้หลวงพ่ อ, อครั บ, ออรบแล้วที่ปฏิบัติมาเป็นไงครับใช้ได้และดีและวันนี้เอเมื่อเช้าง่วงแต่ตอนนี้รู้สึกเบิกบานขึ้นมาได้เรียนธรรมะมีความสุขนะ เนี่ยธรรมะล้เบิกบานมีเหมือนกันนะนั่งฟังหลวงพ่อแล้วหลับอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนานๆมีทีนึงเพราะไม่เคยตื่นตีสี่ตื่นตีสี่แล้วรีบมาเลยงวยเงียงวยเงียนะธรรมะของหลวงพ่อปกติคนฟังไม่ค่อยหลับหรอกไม่กล้าหลับไม่ใช่เลยกลัวโดนเรียกตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะแยกได้นิดนึงแล้วว่าอย่างกายที่เป็นปกติแล้วก็มีความเมื่อยแทะเข้ามาหรื อ, อว่ามีเหน็บชาแทะเข้ามาเอเ อ, เอนะแล้วใจอยู่ต่างหาก แล้วก็ใจก็เหมือนกันคือใจที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันมีนมอะไรแปลกปลออมอีข อ, องแปลกปลอมจิตนะโดยตัวมันเองประพัดสอนผ่องใสเศร้ามองเพราะกิเลส ท, ที่จอรมาเป็นคราวๆจะเห็นดีภาวนาดีอีกหน่อยไม่ต้องพูดมากแล้วอ้อดีดีจบหมดห้อง <laughs> <laughs> สบายนี่หลวงพ่อยอมยากลำบากนะกะว่าออสอนแล้วพอดีๆแล้วแต่ไปหลวงพ่อสบายปรกว่าไม่เป็นอย่างที่คิด าตัวเองดีก็เที่ยวไปชวนเพื่อนมาอีกมาเพิ่มความลำบากให้หลวงพ่อนะเรียกว่าใช้ดีแล้วบอกต่อใช่ครับวันศักดิสิทหลวงพ่อครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ อ, อจะเห็นจะรู้สึกถึงความโลภที่เข้ามาที่พุ่งขึ้นมาตลอดนะฮะแล้วก็จะเห็นถึงความกลัวแล้วก็รู้สึก ทำให้จัดการกับชีวิตที่ดีขึ้นนะครับดีแล้วภาวนาถูกต้องแล้วไปส่งไปทางไหนก็ได้ไปส่งตามยถากรรมแล้วใครอยากได้ก็เอาไล่ยังไม่หมดละนมาสการหลวงพ่อครับอยากจะขอแนวทางการปฏิบัติต่อไปครับที่ให้ให้อ่านใจตัวเองเรื่อยๆใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันครับนะมาดูว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันได้นะบางวันสดใสบางวันเซ็งๆอะไรเงี้ยนะก็ดู แต่และเวลาไม่เหมือนกันเชา้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันตัวนี้ดูได้ไหมครับผมต่อมาพอดูเป็นเวลาได้นะเราก็ดูเป็นขณะขณะดูลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยเราจะเห็นเลยใจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างตอนเนี้มันอยากพูดทราบไหมครับผมมันมีความอยากพูดดันขึ้นมาเราก็รู้ทันเห็นความอยากพูดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างงี้คือรับรู้ในยังไม่ยอมดูเห็นไหมครับหลวงพ่ออุตสาห์บอกให้ดูคือรับรู้ใน ภาวะที่มันพอจะรับรู้ได้แค่นั้นใช่ใช่ไม่ต้องคนกวามากนะครับผมรู้เท่าที่รู้ได้อย่างเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคำอยากพูดมันดันขึ้นมามันฟุ้งขึ้นมาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติได้ถูกต้องใช่ได้ดีแล้วเข้าล่องเข้าลอยแล้วดีแลกดีใจด้วยครับคุครับแต่ต้องขยันนะอย่าขี้เกียจนะครับผมยังหนุ่มๆอยู่บางทีมันดูจิตบ้างดูสาวบ้างครับผมหลวงพ่อสอนให้รู้รูปรู้นามนะเถียงน่ะรู้นะ รูปก็คือคนนี่สวยๆนามก็คือรู้ว่าเขาชื่ออะไรนี่บอกรู้รูปรู้นามว่าคุณหลวงพ่อครับฟังแล้วมันรู้รูปนามจริงๆครับก็เพิ่งเริ่ปฏิบัติคราไม่ทราบว่าแบบรู้ตัวถูกหรือยังครับผมเออดีแล้วหัดไปเลื่อยๆที่ผ่านมาก็ปฏิบัติดีแล้วใช่ไหมไม่ละเก็ดกิเลสบ้างไหมครับกิเลสเกิดบ่อยไหมวันๆหนึ่งแม่ว่าจะหลงไปคิดนะครับผม เออรู้จักหลงคิดก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าอย่าหลงคิดนานนะจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้ไวๆเพราะฉะนั้นะเราต้องหัดฝึกซ้อมที่จะรู้ทันความหลงคิดนะเราหัดท่องพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธท่องเล่นๆนะไม่ท่องให้เครียดนะพุทโธพุทโธไปแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแวบไปแล้วรู้ว่าใจหนีไปก็มาท่องพุทโธอีกพุทโธพุทโธใจหนีไปอีกก็รู้อีกนะรู้เฉยๆนะอย่าไปดึงคืนมา ถ้าดึงคืนมาจะแน่นๆนเนี่ยต้องซ้อมหน่อยหัดใหม่ๆก็ต้องฝึกซ้อมซ้อมดูสภาวะหรือหัหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วใจเราแน่นๆขึ้นมาก็รู้ใจเราเบาๆก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ซ้อมอย่างเนี้ยวันละ1ิบนาทีก็พอที่ผ่านมารู้ตัวบ้างหรือยังครับผมอย่างอย่างใช่ครับ <laughs> เกือบเกือบแล้วอย่าถอยนะ <laughs> เนี่ยเห็นไหมตอนส่งไมค์ไปเห็นไหมลืมตัวเองนั่งไกลไปแต่หลังถ้าใครมาก่อนรีบมานั่งหน้าหน้านะโดนหลวงพ่อไล่จี้สองสามทีก็ตื่นล้อ่ะค่ะตอนนี้ก็พยายามไปแป๊บหนึ่งนะไอ้หนุ่มที่ใส่แว่นใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้อย่างเนี้ยใจหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้นะไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะ หัดดูไปมันจะหนีแวบบแวบบแล้วคอยรู้เอาอตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติมากขึ้นนะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาหนูนั่งรถอะคะ่ะมันจะรู้สึกแบบรอบข้างมันมันมวๆค่ะแล้วเหมือนหนูนั่งอยู่ตรงกลางเราเป็นคนขับหรือเปล่าไม่ถ้าถ้าเป็นคนขับอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นคนนั่งค่ะ เ, เป็นคนนั่ง น, นั่งแล้วถ้าเราไปเพ่งใจของเรามากๆ โลกข้างนอกจะเบลอเบอไปหมดใช่ค่ะอย่าไปจ้องใส่ใจเรามากเกินไปให้นั่งเล่นๆ น, นั่งชมนกชมไม้ไปใจหนีไปแล้วแวบรู้ทันนิมนต์ครับท่านอาจารย์นิมนต์แล้วก็รู้สึกว่าบางทีเหมือนจิตเราอะค่ะมันก็ไปกับอารมณ์แบบมัวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักมันก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เรา หายไปนะที่ อ, อ, อยู่มารู้สึกอีกออ ย, อย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้หนูมาถูกทางแล้ใช่อย่างนี้ดีอ๋ อ, อ, อได้อีกคนหนึ่งครับก็พอดีว่าเมื่อกี้นั่งนึกได้ขึ้นมาแล้วว่าจะถามอะไรครับก็พอดีว่าเหมือนกันนะครับก็คือจะนั่งรถอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีเนี่ยเราไปรู้จิตดูตามดูจิตแล้วมากายอีกจิตกายจนบางทีมันก็สับสนขึ้นมาครับไม่เวลาขับรถ ขับเองหรือเ่าหรือรนั่งรถบริษัทอะไรเงี้ยครับเอออย่างเรา<ด>จะไปทํางานนะครับก็นั่งรถบริษัทไปอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่งดูไปใช่ครับก็แต่ว่าก็คือว่าพอบางทีก็เมื่อกี้มานึกได้ว่าทําไมมันต้องสับสนด้วยครับก็มาดูลึกๆเข้าไปไม่แน่ใจว่าถูกรึเปล่าก็เลยจะถามว่าที่ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังมีความอยากที่จะทำดีอยู่ใช่ไหมครับใช่อยากรู้ให้ดีอยากรู้ให้ชัดจงใจรู้พยายามรู้เนี่ยันนี้จะทําให้งงๆมันรู้มากกว่าความเป็นจริง รู้ไปสบายสบายรู้เท่าที่รู้ได้นะอ่ะได้คนหนึ่งข้างหลังอ่ะพ่อคะเวลาหนูสวดมนต์หนูก็จะก็จะรู้สึกว่าเสียงมันก็เป็นเสียงเห็นตัวเองปากพองอัพองอับออะไรเงี้ยตัวหนึ่งพองอับพองอับดีแล้ะใจอยู่ต่างหากค่ะใช่เห็นแล้วเห็นไหมกิเลสก็อยู่ต่างหากค่ะจิตกับกิเลสโคลานกันดูออกไหมค่ะเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตก็โคลานกันค่ะดีแล้วภาวนาดี นะจิตใจตื่นขึ้นมาคนไหนจิตใจตื่นแล้วให้ดูไปเรื่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมคงได้อะไรบ้างแหละถ้าไม่ทำกรรมชั่วนักหนานะอ้าวันนี้ได้แค่นี้นะโยมที่เหลือเอาซีดีไปฟังเอาแล้วลวันหลังมาให้ไหวๆมานั่งหน้า